ที่เทศมาแล้วทั้งหมดนั้นหรือจะพูดทั้งหมดที่ความประสงค์ของการเทศเพาว่าใดเทศถึงเรื่องการที่เราจะปฏิบัติทำคำสอนของพระเจ้านั้นขอให้มีหลักใหญ่ๆสําคัญอยู่สามประการคือให้รู้จักให้ละชั่วทําดีและก็ประกอบจิตของเราให้อยู่ด้วยความสงบ นี่เป็นข้อใหญ่ใจความในการปฏิบัติคราวนี้ชั่วแล้วดีนี่แหละมันสำคัญในตรงนี้แหละใครก็พูดกันได้ทุกคนว่าชั่วทำดีชั่วคืออะไรดีคืออะไรเนี่ยมันสำคัญในตรงนี้เองเพราะฉะนั้นจึงจะจึงขอที่าบเพิ่มเติมมาตอนที่ว่าชั่วแล้วดี คนเราทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจเป็นของดีจึค่อยลงมือทำบางอย่างอระการก็เข้าใจว่าไม่ดียี่บ้างแต่ยังเสียดายเรื่องนั้นอยากจะทาทำามยังต้องเป็นอย่างนั้นเพราะความเข้าใจนั้นยังไม่ทราบซึ่งถึงจิตใจแท้จริงเป็นแตนุมาณถ้าหากเข้าใจข้อนั้นจริงจังว่าชั่วจริงๆอ่ะ ขัวเป็นเหตุให้นำมาซึ่งทุกโทษทั้งแกตง่ตนแในคนอื่นจริงๆแล้ววัดละไม่ได้วัดทิ้งไม่ได้ตรงนี้สําคัญศาสนาพุทธคนถือศาสนาพุทธทำมาอย่างขี้ขโมยมากนะโกงมากนะมันอยู่ตรงนี้อ่ะคือมไม่ยอมเห็นตามเปนจริงแล้วยังเสียดายความชั่วนี่ยอยู่เพราะฉะนั้นจึงจะอธิบายต่อไปอีกถึงเรื่องความชั่วความชั่วในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนว่า ทำสิ่งใดยายเข้าจัดให้เข้าตนเองหรือว่าทําลงไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนในคนอื่นอ น, นั้นเรียกว่าชั่วทําสิ่งใดลงไปถ้าเป็นประโยชน์นําสุขมาให้แก่ตนในคนอื่นอ น, นั้นเรียกว่าดีอันนี้เป็นเครื่องตัดสินจะมาให้ดียังเครื่องตัดสินถ้าเราจะทําอะไรอะไรลงไปนั้นให้จับหลักนี้ให้ได้หากว่าเราจับนหลักอันนี้ได้แล้ว หากเรายัางฝ้าฝืนอยู่อย่าพึงเข้าใจเราเป็นพุทธมามะกะและอย่าพึงเข้าใจว่าเราปฏิบัติตามธรรมคาสองขึ้จับอันนั้นเดียกว่าเรายอมทําตามกิเลสของตนคือความพอใจของตนดังหากอย่าไปอ้างเราพุทธวจะนะว่ า, าเป็นเครื่องอ้างเครื่องวัดอะไรใดที่ทําให้เป็นให้เป็นกรรมแก่ตนคือให้เป็นเครื่องเดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นอะไรบ้าง ถ้าคิดๆเอาไปแล้วครับหรือหาแค่ชักตัวอย่างให้ดูให้เห็นง่ายๆเราคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นโดยทางตรงหรือทางองาา้อมก็ต่างเช่นว่าเราคิดอยากจะทำคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยการพูดกะแหนกแหนหรือพูดกระทบกระเทือน เพื่อให้เขากระเทือนใจเพื่อให้เขาไม่สบายใจเราเองมีความเดือดร้อนอยู่แล้วคือต้องการอยากจะให้เขาเดือดร้อนด้วยนั่นเห็นชาติทีเดียวตัวเองเดือดร้อนคือเบีเบียนตนแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นเพื่ออยากให้เขากระทบกระเทือนจิตใจเพื่อให้เขาเดือดร้อนนั่นแหละเรียกว่าทําความชั่วคือทําให้ตนเองเดือดรอนคนอื่นเดีอดร้อโดยประการอย่างนี้ คนอื่นพิจารณาเองคิดเองมากเยอะมีทุกคนส่วนทำสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ตนในคนอื่นนั้นเราเห็นได้ง่ายถ้าเราคิดสงสารและเมตตาสาธารณะบางดีแก่ใครก็ตามในขณะที่จิตเรามีเมตตากรุณาปานีแก่คนอื่นนั้นอันทั้งที่สิ่งใดเราก็ไม่ทำให้เขาปรากฏล จิตใจมันถึงกันในคนเราก็เทือนรู้สึกกันเลยคนคนนั้นเพราะเห็นหน้ากันเนี่ยเท่านั้นลหละเป็นเรื่องเย็นอบเย็นใจอยากแค่พูดจาปาทิปาใสไม่ต้องพูดถึงเรื่องคนแม่แต่สัตว์ก็เช่นเดียวกัแย่งสุ น, นัขเราเลี้ยงนในบ้านแมวก็ตามแล้วเกิดเอ็นดูต้องสารป่าถนาบางดีต่อ มันเห็นเข้ามันก็แหวงหางเข้ามาหาชอบอกชอบใจจะมาไปครั้งนี้จะไปเห็นฝรั่งมันจะอุ้มหมาขึ้นรถไปดูดูยืนนั่งอยู่ใกล้ๆดูเขาก็ไปเห็นแล้วดอกเสร็เราดักดูเขาอยู่ในบ้านคู่พนักยายจะอุ้มจนน่าขึ้นมันไม่ชอบใจก็บพนักามันดิ้นกิ้งอยู่เนี่ยนะอุ้มไม่ได้ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยมันแกล้งมันด้วยจะแกล้งเหมือนกันนะ พอดีพระนรยาก็าขึ้นเรียบร้อยแล้วทามีเขาอุ้มขึ้นง่ายสบายโอ้โมันก็เก่งเหมือนกันเนี่ยถึงหนักไม่เคยนี่แสดงถึงเรื่องจิตใจมันถึงกันบางทีมันจะไม่ชอบใจทําอะไรให้มันไม่ชอบใจก็ได้ครับพระนระานั่นเลยเลยไม่ชอบใจเลยมันไม่ให้อุ้มเขาสิ้นวัดขึ้นรถเมื่อเราทําสิ่งใด้ด้วยความหวังดีปรารถนาดีแม้แต่คําพูด จะพูดสักคำสองคำเขาก็ยอมฟังถ้าหากจิตเรามีเมตตาปัฏฐนานบางดีบางทีอาจจะมีคนแย้งก็ได้เด็กๆสมัยนี้พ่อแม่บางดีก็ลูกก็จะตายหรแแตงมันฟังพูดแนละ้วไม่ยอมฟังอาจจะเป็นงานก็ได้คาแย่งนี้จะอาจจะมีเพราะจะประสบการณ์ด้วยตนเองก็ได้อันนั่นก็แสดงว่ามันเหลือขอช่แล้วนะมันจะพอเป็นเช่นนั้น อันนี้จะไปโทษอื่นไกรอาจะมาเป็นคนหัวโบราณอยากจะพูดถึงเรื่องว่าโทษจากพ่อแม่เลี้ยงลูกสมัยเดียดนี้คือไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเพราะเหตุสิ่งเว้นรอบ บ, รบีบบังคับคืออาการอาชีพต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปนานๆ้วเขาจะไม่รู้จักพ่อจากแม่กันิ่งเป็นชาวต่างประเทศแล้วยิ่งไปกันใหญ่ คนยุโรปแล้วยิ่ยงสายใหญ่พาเหตุที่มันอยู่ใกล้คิดสนิท ก, กับพ่อกับแม่อยู่ตลอดกาลเวลาก็เลยไม่รู้จะคุ้นค่าของพ่อของแม่คนโบราณสมไยก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้า อ, อ, อยู่ในอกคล้อมเวลาเดือดร้อนเป็นทุกข์ปรับใจลูกเต้าให้ลูกเจ้าได้รับได้ลูกเต้าและรับาความหุนอกหุนใจ เมื่อต่อต่อไปก็มีเรื่องอะไรกับพ่อแม่นั่นนหะกรอบอกกอกใจสิ่งที่กลุ้มอกกลุ้มใจก็ค่อยหายไปมาสมัยนี้เด็กๆไม่ค่อยจะขึ้นพ่อพึ่งแม่อัตมายังอยากโทษหยิกซับแต่มันเป็นการจําเป็นไ้ม่เรื่องอัตมาโทษต่างหากหรอกสมัยนี้พ่อแม่ไม่ต้องเลี้ยงให้งัวเลี้ยงให้เป็นลูกงัวกันหมดจ้ะ แม่งัวงก็ไม่ทราบอยู่ไหนกันมันก็เลดไปกันใหญ่เหตุนั้นถึงแม่พ่อแม่จะมีเมตตาปราถนาหวังดีจะเมตตาปราถนาหวังดีต่อลูกสักเท่าไรก็ตามเถอะจิตใจนันน่ะของสำหรับลูกผู้จะรับนั่นมันไม่ยอมรับจแล้วมันไปคนละทางจแล้วอย่างอธิบายมาแล้วพูดมาแล้วซึนักเลี้ยงนั่นน่ะอยู่ใกล้คิดคน ไไหนก็อุ้มก็หอบกันไปยางนั้นมีอะไรอาหารที่ดีก็เลี้ยงสุนัขจิดส่อยห้อยตามมันก็เลยยืดคนเป็นที่พึ่งเป็นสนนะคิดนึกอะไรก็รู้สึกเั็นพานาใจนี่เป็นอย่างนี้แค่นั้นไหมว่าเรื่องความชั่วและความดีนะปรากฏในใจของตอนเองอย่าไปเข้าใจว่าทำชั่วได้ดี ทำชั่วได้ดีมีท้องฝ่ที่เขาว่ากันนะทำดีได้ดีมีที่ไหนอย่าไปพูดอย่างนั้นไม่ทราบว่าใครมาแต่งเพลงข้อนั้นขึ้นมาแหมมันทำให้คนเสียเอจริงจริงจริงคนพูดแต่งนี่ก็ไม่รู้วีดีรู้ชั่วเหมือนกันกนี่ค่อยแต่งแบบนั้นชั่วได้ดีจะให้คนชมนี่จะว่าดีงั้นหรือเรารู้ด้วยตนเองนี่นะชั่วก็รู้ด้วยตนเองดีก็รู้ด้วยตนเอง ใครจะชมไมชมมาช่างเขาเลยสิคิดอยากจะโกรธคนอื่นในใครจะไปรู้อยู่ ใ, ใกล้ๆ ก, กันไม่มีใครรู้หรอกคิดรักคิดชอบก็ไม่มีใครรู้เหตุนั้นความไม่ดีที่มันเกิดตัวพายในใจคิดโกรธเสียแล้วอาฆาตตาณฑ์มันรู้ด้วยตนเองหากจะไม่ประหัตประหารและทําลายคนอื่นนั่นก็เป็นบาปอยู่แล้ว บาปคำว่าบาปนั้นมันหมาจากคำว่าปาโปปลาปาปลาปาแปลว่าคมชั่วปลาโปแปลว่าของสก็ปรกปาโปแปลว่าคมเศร้าหมองของใจเลยเรียกกิเลสคือคมเศร้าหมองแล้วแต่ใครจะแปลไปเถอะพูดกันง่ายๆว่าผิดปกติของใจเดิมใจเดิมให้ปั่นป่วนไปในทางที่เร็วนั่นเรียกว่าบาปถ้าเราอยู่เฉยอย่างนี้น่ะ ไม่มีใครไม่โกรธไม่เกลียดใครพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันบ้างๆนี่น่ะต่างคนต่างตั้งออกตั้งใจฟังธรรมเทศนาสบายอกสบายใจไม่โกรธไม่เกลียดใช้าเทศนาใครสักคนเดียวหากมีใครคนใดก็หนื่อยมานั่งทับขาลองดูนะชุนขินขึ้นมารู้ด้วยตนเองนั่นแหละคือกิเลสคนที่เขาโกรธเราหรือเราโกรธเขานั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องของเรานั่นแหะคือความชั่ว เราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีเรื่องอะไรต่างๆเยือกเย็นนะั่นคือคุณงามความดีคือบุญคือตนอันนี้พูดถึงเรื่องบุญอีกภาษาคําว่าบุญไม่ใช่ภาษาบ้านเราเป็นภาษาบาลีบุญบุญในที่นี่นั่นพูดทั้งเรื่องความอิ่มพกอิ่มใจที่เราทําดีแล้วอิ่มใจพอใจเรียกว่าบุญ ที่โบราณท่านสอนคนที่ยังไม่ทันมีการศึกษาสูงบุญนี่จะต้องได้สมบัติเขาจะทานเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดไปไปเกิดชั้นฟ้าสวรรค์มีเป็นงานเงินมีงานทองท่านพูดพรรณนาไว้ให้คนที่ยังไม่มีการศึกษาพอพูดเฉพาะผลไม่ใช่พูดตัวต้นของมันต้นคือตัวบุญได้เก็ ควรการอิ่มใจพอจใจในการที่เราสร้างคนงานคนดีขึ้นมาอะไรที่เราสร้างคนงานคนดีเ้าส่ะอย่างเช่นว่าเราจะไปทอดทอดฟ้าทอดกันถิ่นและบวหน้าศสักองหนึ่งอ่ะอย่างน้อยที่สุดเราเข้าไปหาพระเจ้าพระสงฆ์ครบาอาจารย์ได้กราบได้ไวจิตใจเต็มตื้นขึ้นมาภายในใจอิ่มเอิบขึ้นมาความอิ่มนั้นเรียกว่าบุญ ร่วมเต็มนะเดียวกับบุตรหากจะมีปัญหาถามว่าเราได้เงินถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสักแสน2องแสนนั่นเงี้ยลองลองดูอิอ่มไหมทุกคนก็คงจะเข้าใจว่าอิม่มแต่อรตมาก็ไม่เคยถูกเคยได้หรอกอรตมาวันยังไม่อิม่มพอได้เราก็คิดอยากจะสร้างตึกหลายๆชั้นคิดจะลงทุนมันไม่อิ่มนลเขาเบงอ่ะ นอกจากนั้นอีกยังร้อนใจอีกรวยญาติพี่น้องจะมาขอคู่ข อ, อยืมรัวขโมยจะมาพ้นจี้มาเรียกค่าไทยมันไม่อิ่มเลยนะ่ะร้อนเลยนะ่ะนอนไม่หลับสมัยออกลอตเตอรี่ครั้งแรกในเมืองไทยอาจารมายังทันรู้เรื่องอยู่มีคนถือลอตเตอรี่แสนบาทสมัยก่อนเป็นบ้าเลยไม่ใช่บุญมันเลยกลายเป็นบ้า คนเราทุกวันนี้ก็ตามเถอะถ้าหาก็่าไปรุ่มรวยด้วยไปการต่างๆอย่างไรถูกก็เถอะอีรางวัลที่หนึง่งเที่ยวเกลร่ล่อนไม่เป็นนั่นอยู่อังกินเลยเป็นนักเลงสุรายาเอาเป็นนักเลงเจ้าชู้เที่ยวไม่มีขอบกขตใช้จ่ายเอาหน้าเอาเกียรติบางคนจนไม่ถึงไม่กี่เดือนมดตัวเลยแต่มาเคยไปเห็นแล้วอย่างนัผู้เก็ด สี่ไอ้แปดแสนบาทเออไอ้แปดหมื่นบาทไม่ถึงสามเดือนเรียบมาตนรวยคือคนขายเรือจ้างขามฝากหมดเงื่อน่ตัวเทอเนี่ยเขาลักถูกไม่ถูกกับช่างอ่ะยังเหลือเท่เนี่ะซื้อลงไปหมดเลยเพราะว่าถูกเข้าไปใจผองใจใหญ่ใช้ไปถึงสามเดือนเรียกมาจะมาจะมาไม่อิม คนไม่อิ่มไม่ใช่คนมีคนไม่อิ่มคือคนจนคนอี่มนั้นอย่างเดียกว่าคนมีเห็ุนั้็ได้เจจายังว่าอุญโยคือความบริบูรณ์ของใจคือมันอิ่มทำแล้วไม่จิตใจไม่กาเริบวุ่นวายสงสัยไปหาความชั่วทำวุนอิ่มแล้วไม่ไม่ไม่ทำอีกนั่นลื้อเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นอิ่มมันนั่นให้บอกไม่ถูกหรอกให้ตนทาได้ก่อนยังรู้สึก ว่ามันอิ่มคือมันอิ่มยังไงอิ่มในการดนะูยังรู้สึกด้วยตนเองเห็นั้นความดีที่ว่านี่คนทําดีได้ดีมีที่ไหนอย่าไปพูดด้วยคำนั้นมันมีที่ใจของเราเองทําชั่วได้ดีมีถมไปโอ้ยคาชั่วเขาชมเชยมีแต่พวกเก๊ๆนะั่นแหละชมคนดีมีปัญญารู้จักเหตุผลอย่างนี้ใครไม่ไม่ใครชมทุกคนหรอก พวกชั่วเขาชมก็เลยตื่นตัวลืมตัวไปเรานี่แหละวิเศษสมสุดทุกสิ่งทุกประการเนี่ยเนื้อเขาทางนั้นถ้าว่าเหนือคนอื่นดีก็คนอื่นนะคือนั่นแหละคือกองกิเลสนั่นคือเพิ่มพวกชั่ว ก, ก, กันมาอีกคำพูดแล้วเนี่ยมันกลเลยขอบเขตเหมวมันกลายาจะมาก่อไปคนมีคนรวยบางคนลืมตนลืมตัวไม่รู้จักเฉลีย่ยแบ่งฝันแก่พี่น้องลูกๆห ล, ล, ลานได้ แ, แก่คนทุกคนจนคนฐานามไม่จักทำวุ่นถาน และเป็นคนขี้เกียจขี้คานเลยไม่สร้างคุณงามความดีต่อนอนเฝ้าทรัพย์อยู่นั้นอ่ ะ, ะพอแล้วอิ่มแล้วสมัยครั้งพุทธเจ้ายังทรงผระชนชีพอยู่นางวิสาขาเทศให้ปู่ฟังก็แบบนี้เลยสีเพราะปู่เป็นเศรษฐีแลว้วไม่รู้จักทำบุญสนทานรู้แต่ให้ใจบุญสนทานทำบุญตลอดเวลาเห็นถ้ามาจะนั่ง มื อ, อดูอย่างเงี้ยไม่ได้แจ ก, กระไม่ได้ไหวทางคนต่างชานิลูกสะใภ้อดไม่ได้ก็ลเลยอยากแกวเทศบ่าพวกกู่กินแต่ของเกา่าอุ้องโกรดใหญ่โกรดโตของเกา่าคล้ๆกับลูกกันทางบ้านทางเมืองมันก็ของไม่ดีโกรดเลยหาลูกสะใภ้เ ย, ย็นหยาดูถูกตน้นนักวิชาช้าเวลาแต่งงานเนี่ยพ่อแต่งพามแปดคนไปรักษั งานอาวิษณุขาทำผิดธประการต่างๆให้พระแปดคนนั่ะเป็นกรรมการชำระกระจกหลงก็เลยเอากรรมการแปดคนเอาไม้ชำระก็ปู่เรียกท้าแปดคนมามาสืบสวนขอที่จริงโดยระการต่างๆนักยิศวขาบอกว่าของเก่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงของคิ้งของเก่าก็รลออกหมายถึงหลวงคุณไอ้คุณปู่นั่นแหละจะเว้ยบุ้นเก่าต่างหารู้สึกตัวเลยอู้หู เมื่จริงความแก้ว่ะบุญกุศลจงเสริมให้เรามัได้สมบัติเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วสเสวยษฐีของเก่าเวยษฐีบุญเก่าแล้วมาสร้างบุญต่อนางวิชัขาหมายตรงนั้นจัหรู้สึกตัวยอมสารภาพว่าตนทำผิดคิดผิ ด, ดไม่ถูกลแล้วแ้วยอมเอานางวิชาขาเป็นแม่ไม่ถือเป็นลูกสะใภ้จึงได้มีนามช้า ย, ยาว่ มิคารมาตาพิสาขามิคารมาตาคือนางพิสาขาเป็นแม่ของพ่อปู่คนหนึ่งทุกวันนี้จะมีไม่ลูกสะใภ้เทศให้พ่อปู่ฟังหรือไม่ก็ไม่สาวนักสมาพอดีใคาจะสามารถเทศได้ก็ไม่สาวเนี่ยว่าทั้งเรื่องบุญว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นของจริงแท้ทุกประการ เหที่ไม่รู้เนะี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ธรรมคือความสงบดังอาจมาอธิบายมาแล้วเมื่อคื่น ก, ก่อนมาธรรมทั้งหลายที่จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าเป็นธรรมเป็นของจริงนั้นต้องอาศัยความสงบเสีก่อนธรรมคือความสงบจิตของเราถ้าหากว่ายังฟุ้งเฟอ้ออยู่ตสงสัยอยู่ไม่รู้ข้อที่จริงหรอกต่เมื่อเราทําความสงบใจมันจะสงบแล้วนะ่ะ ดังเปรียบมาแล้วเหมือนกับของใสสะอาดน้ำใสไม่กระเพื่อน้ำใสนิ่งเมื่อไรปลากรดเงาอะนะถ้ากระเพื่ อ, อยังไม่ปลากรดเงาหรือกรจกเงาของเราถ้าหากเช็ดให้สะอาดจะได้ล้ะอองนิดเดียวปรากรดขึ้นมาหนะึ่งรูปเห็นได้ชัดใจของเราสะอาดกว่านั้นเหมือนกันคือความสงบถ้าไม่สงบไม่สะอาด เหตนั้นคนที่จะเข้าใจถึงเรื่องหลักธรรมแท้จริงนั้นต้องอาศัยความสงบด้วยก่อนเราเรียนตำรับตำรามากดูหนังสือมากว่าตนมีความรู้อันนั้นไม่ใช่เข้าใจเพียงแต่รู้เฉยๆหรือว่ารู้แต่ไม่เห็นของจริงไม่เห็นสาเป็นจริงรู้กับเรียนเนี่ยผิดกันเรียนแค่จดจาำ ต, ตำลาบรู้นั่นคือมาคิด ค้นคว้าด้วตนเองแจ้งนี่คือชัดเมื่อคิดคนนี่ตัวเองมันชัดจะจำไม่ลืมเรียนรู้แจ้งชัดเจนมีคําหมายคําพูดแต่ละคำมีความหมายแต่เราไม่คิดนี่ที่อธิบายทังเรื่องว่าทําดีไ ด, ด้ดีทำชั่วได้ชั่วมีลักษณะอย่างนี้นี่พระเจ้าสอนนี่รู้ใกว่าละชั่วทําดีให้เข้าใจตรงนี้คราวนี้ได้อธิบายต่อมาทังเรื่อง เพืจะปฏิบัติธรรมนั่นน่ะอย่าปฏิบัติที่อื่นพิจารณาธรรมอย่าพิจารณาที่อื่นค้นคว้าธรรมอย่าไปค้น ค, นคว้าที่อื่นพระไกรวิดโดที่ท่านเทศนาไว้ไม่หนีจะกลายกับใจใลูกกำนม้มอยู่ในนี้ทั้งหมดคนที่ยึดมั่นสําคัญตนตัวเพราะเหตุที่ไม่เข้าใจลูกกำนามตามเป็นจริงจึงค่อยยึดมั่นสําคัญตัวเรา ว่เป็นเราเป็นเขาเป็นตนเป็นตัวความยึดมั่นสำคัญตัวเดียวเป็นเหตุในะี่เกิดกิเลสข่วงข่วงต่อไปพระเจ้าสอนให้พิจารณาตรงนี้ที่กายกับใจนี้หรือจะพูดสรุปรวบรวมยอดลงไปอีกว่าทําทั้งก่วงหมดหรือเพื่ไกายพิดูพดกที่ท่านแสดงไว ม, มากมายนั่นน่ะมาอยู่ที่ตัวของเราพูดซ้ำอีกว่าตัวของเราคือตู้เพื่อกายพดก ตู้พ ร, ระไกรไปดกเคลื่อนที่อธิบายคืนที่ดอกมาคืนงานนีว่าหรือธาได้เกณฑ์วของเราธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมธาตุหกเพิ่มตัวมาคือญาณธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างที่มีในดวงเราเรียวอากาศธาตุหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใาย น, นอกหกายในหกตาหู ในรูปแจงกินลดปวดทางภาภายนอกธรรมารงภายนอกธาตุชิบแปดคือธาตุภายนอกกับภายในเส้นตากับรูปเห็นแล้วเกิดกระทบกันเกิดของรู้สึกๆเรียกวิจารณ์ธาตุสามหเป็นชิบแปดธาตุสี่ธาตุหกหรือธาตุชิบสองธาตุชิบแปดอยู่ที่ตัวของเราทางนั้นทำไมถ้าอย่างเทศไม่ให้เป็นธาตุหลวงพวกมาเามาให้ฟังมาแล้วคือเพื่อให้ละ รวมยึดว่าเป็นตนเป็นตัวเทศให้เป็นธาตุก็มีแสดงว่าอุปมาอุไมยไอเทศสธไเห็นเป็นธาตุก็มีให้เห็นเป็นธรรมก็มีหรือหเห็นเป็นอุปม า, มาเปรียบมันก็รูปของหม้อก็มีหรืออุปม า, มาเปรียบมันก็เมืองอันหนึ่งก็ได้อาจามาอธิบายให้ฟังว่าเหมือนกับเครื่องยนต์ก็ได้ผู้ที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงแล้ว เมื่อเรียกมนุษย์หรือคนนั้นมันกระดากละอายภายในใจของท่านคือเรียกอะไม่ไม่อยากออกพูดไม่อยากได้เหมือนกันนะคําว่ามนุษย์หรือว่าคนเนไม่ใช่มนุษย์หรือว่าคนไอพูดมันมันพูดไม่อยากออกเหมือนกันท่านก็เลยเรียกภาษาของท่านใช่ภาษาของท่านที่ท่านเห็นที่ท่านรู้ท่านพูดกันในในทํานองที่ท่านพูดกันในทํานองที่ภาษาของท่านเห็นกันแล้วก็ทักทายตักใจกัน ใช้สมมตินี่แหละแปลงเป็นภาษาอื่นหนึ่งของท่านถามกันว่าสริระยันตังจืตุวจักรังนวัตถวารังข้ามานี้ยังใช่ไหมนแปลในคํานั้นว่าสริระยนคือตัภาพของท่านเพราะว า, าอันเปลี่ยนแปลได้นี่นละแปลได้เมื่ท่านรู้กันเลยพอพุดเถอะะถ้าแปลคํานึงำ้องเรามาพูดภาษาบาลาสริระยนคือตัวของท่านมีจัก สมีทวารเก้านันพออดได้หรือพออยู่ได้หรือกันบาคือพอเดินได้หรือพอใช้ได้หรือท่านพูดอย่างนี้ลองคิดดูคําว่าะอย่างต่างตัวของเราคือจักรสี่ได้เกริยาบทสี่เคลื่อนไหวไปด้วยเริยาบทสี่เหมือนกับรถยนตนะ์นั่นแ่ละเหมือนกับรถยนตนะ์รถบ้าอะไรก็ตามเถอะ เคลื่อนไปมาได้ด้วยลูกรอดและรูเลืลอดหรือเครื่องยนต์ต่างๆคนเราก็เคลื่อนไหวด้วยระยะวัดสี่ยืนเดินนั่งนอนแต่จะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกจากสี่นั้นอธิบายทั้งเรื่องธาตุสี่ยังไปชุมประกอบกันอยู่จังเคลื่อนไหวไปมาได้อันนี้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีก แต่เป็นเรื่องพ่อมาให้เขาเข้าใจอย่างที่ว่านี่แหละท่านเห็นนะไม่ใช่คนไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเห็นไม่เพียงว่าเครื่องจักรนนาว่าเครื่องจักรอันนี้ลองคิดดูสิทำไมจึงเดียวเครื่องจักรย่างไม่มือของเราก้าวย่างเดินไปมาลึกคู่เหยียดด้วยประการต่างๆมันต้องมีสิ่งประกอบสิ่งประกอบง่ายอที่พูดง่ายที่สุดก็คือลมหายใจยังไม่ขาดไม่ดับ ตอ น, นั้นก็เส้นเอ็ที่มันยังอบอุน่นเคลื่อนไหวได้จะไปเคลื่อนไหวไปมาอีกในยาบทสีในเครื่องยนต์นอกจากนั้นเครื่องยนต์ที่มันที่ใช้ได้ภายในยิ่งพิสดารอาหารที่เรารับประทานลางไปมีลงสีซึ่งราบทเขี้ยวคือฟันกล้ามคืนลงไปตามลําคอ ไปอยู่ในกระเพาะอาหารมีไฟสำหรับเผาเราไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกรับนี้เครื่องจักรมันใช้เองเผาให้ย่อยละลายซึมซาบไปตามกระสัดหรือเลี้ยงซเซลเลี้ยงกระดูกเลี้ยงเนื้อหนังเลื้ยงสารพัดทุกอย่างแยกเป็นสาดเป็นส่วนออกไปสิ่งใดควรบำรุงกระดูกเลือดเนื้อสิ่งได้ควรบำ ร, ร, ร, รุงตับไต ไปเองตั้งแต่หัวถึงเท้าศีสะถึงเท้าทำงานอยู่ตลอดวนันค่ำคืนลุก เ, กเครื่องจักรนี้พิสดารมากซื้อขายกันไม่ได้ไม่มีตลาดขายกันพ่อแม่หาไปให้เราสร้างมาให้เราแล้วเราได้ใช้บางคนก็สามสิสี่สิปีงานมานี่นาน นานอยู่แล้วตั้งเจ็ดสิบกว่าปีมาแล้วยังมเช่านี้ยเรื่องอะไกันไม่ทราบเลยย้ายคนหนึ่งตั้งแปดสิบปีก็ใช้ยังได้ดีอยู่เครื่องยนต์ที่เราใช้ด้วยเล็กแข็งเหล็กกล้าใช้ไม่ถึงสิบปียี่สิบปีหรอกซื้อราคาเป็นจนแสนก็ไม่ถึงสิบปียี่สปีพังว่ะแต่อันนี้นั่นยังใช้กันยังใช้กันเด้นา น, นานแสนนานเครื่องจกักร อันนี้จึงเออเป็นของมีค่ามากแต่คนเราไม่ได้จักคุณค่าของเท่ยวู้ให้แล้วนะ่ะหาเครื่องจกักรให้เราคือวิดาบรรดาไม่ได้จักคุณค่าของเครื่องจักรที่เราใช้อยู่ทุกวันอย่างนี้ mm. ก็เลยลืมตนลืมตัวมีเครื่องจักรใช้แล้วเลยใช้ไม่เป็นประโยชน์เกิดไปใช้ในสิ่งที่เลวทํามทำคยุยควมชั่วทุดจริตโอคือผิดต่าง เบียดเบียนทําให้เกิดความทุกข์แก่ตนและคนอื่นต่อไปมีคนใช้คก็ได้ของดีแล้วเอาไปใช้ไม่ติดแล้วไปเครื่องเดือนร้อนถ้าทุกคนรู้จากคุณค่าของขอ ง, ของดีที่เรามีมาแล้วนนั้ไม่ใช่เป็นประโยชน์อย่าทําให้เป็นเครื่องเดือดร้อนแก่ตนในคนอื่นดังอธิบายมาแล้วเราก็สบายคนอื่นก็สบายในครอบควของเรามีกี่คนแก่คนก็สบายตามกันไปหมด ตลอดถึงบาง้านเมืองประเทศช า, าติาระบาดต่างๆนี้เรื่องรูกเรื่องที่เกียบปฏิบัติคือปฏิบัติตรงที่กายของเราเนี่ยตับใจของเราไม่ปฏิบัติที่อื่นถ้าเมื่อปฏิบัตินี้ก็เรียกว่าถูกของลักพุทธศาสนาคราวนี้มาถึงเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาคะคราวนี้เราจะทํายังไงยังจะปฏิบัติได้เราก็อาศัยได้ยินในฝั่ง ว่าอาจารย์เทศนาให้ฟังมีขอบเขตเหมือนกันมีเครื่องวัดเหมือนกันดีและชั่งมีเครื่องวัดเหมือนกันดังอธิบายมาให้แล้วให้ฟังในวันคืนนี้วันนี้จงเป็นวันสรุปรวกยอดควนทบของเก่าอีกคือมีสิลนห้าชิ้นแดคาบทสิบหรือชิ้นสิบิ้นสองรอยิบเจ็ดเป็นเครื่องวัด มายึงบอกว่าอย่าไปถือศีลทำมากก็ไม่ได้สอนให้ถือพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ถือสอนให้นำมาปฏิบัติถือไม่มีประโยชน์ต้องนำมาปฏิบัติคือพระพุทธเจ้าสอนให้เราละชั่วทำดีทั้ ง, งว่างอะไ้อไปถือไม่ใจ่ละตรงไหนไม่มีทาง ล, า ล, ละหรอกเหตุนั้นยิงสอนให้เราปฏิบัติ จึงมาละชั่วทำดีเมื่อเราละชั่วได้แล้วกดเกณฑ์ของการละชั่วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพยไม่ประกฤืชผิดมิจฉาจารย์ต่างของผมก็สาะวาถึงสวลาไม่ไรเรียกว่าโทษแปดประการอย่าไปถือว่าศินให้ถือว่าโทษแปดประการลักความชั่วแปดประการ ถ้าหากเราละเด็กข้อหนึ่งกับคนไปกลมชั่วคนสองข้อสามข้อกับคนไปสี่หาข้อก็บคนไปสองร้อเกตกับคนไปเป็นผอผอบางคนถือศีลน่นเป็นเรื่องนักนาเป็นเรื่องลำบากที่สุดคือการละชั่วทําดีนั่นคนเราน่ยไม่อยากทําแต่อันนี้ส่งของการละชั่วทําดีคือความสุข อันนี้อยากได้สุขแต่ไม่ละชั่วทําดีคือไม่ปฏิบัติเหตุให้เกิดความสุขกระเพื่อมันก็คนอยากได้สตางค์แต่ไม่หาสตางค์อยากทานอาหารแต่ไม่หาอาหารมาทานมันก็เหมือนเหมือนกั น, กนเออสิเมื่อเราอยากได้สุขก็ต้องละชั่วทําดีสิเมื่อละชั่วทำดีจึงฆ่าสังมันเป็นป่นาตรงนีลละฆ่าสันอธิบายมาแล้วมาเบียดเบียนตนเบียดเบคนอื่นมันไม่ดี ยิดคิดปัสสาวะยิ่จะฆ่าคนอื่นโดยโทษสามะณะกับตามโดยคิดอยากทานเนื้อเขากะช่างโดยคิ ด, ด ย, ยิ่ดสาเหตุอยากจะให้พระเยบหายตา่ามันเกิดขึ้นมาภายในใจมันร้อนภายในใจกลุ้มใจทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนไปทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราละอันนั้นได้กับละชั่วได้ข้อหนึ่งละได้รักษาไวะะ้แล้ต่นีๆอย่าให้มันเสื่อมสูญไป เห็นว่าเป็นของดีแล้วลักช่วยในคนามสุขอย่างนี้แล้วให้รักษาไว้ข้อที่สองการลักการขโมยมันก็เดือดร้อนเพราะการขโมยมันก็ติดจะมาไปไปนี้อยากพูดซ้าอีกว่าขโมยเมืองเขาดูมันจะน้อยกว่าเมืองเราทิ่งของทิ้งไว้ในที่ไหนใจมันก็ไม่ค่อยเห็นมีคนขโมยมีแหะที่ว่าไม่มีไม่มีไม่ติดไม่มีหรอกมีเมืนกันร่ก็คิขโมยเพราะมีที่เด่นแล้วต้องมีบัตร แต่รู้สึกว่าน้อยมากบ้านช่างเขาอยู่ในป่าในโลกอยู่ที่ไหนห่างไกลจากกันดานจากปูจะกดไม่เคยเห็นเด็กขาไปจี้ไปคนกันถามๆดูกก็ไม่มีการที่ไม่มีขี้ขโมยจี้ปนเท่านั้นอะ่ะได้ความสุขขนาดพวกอะไรเนี่ยคนเราของจำด้วยจากรสชาติของขี้ขโมยจี้ปนโดยเฉพาะ อ, อยู่ในกรุงเทพของเรานี่หล่ะออกจากบ้านจากช่างไปแล้ว ไม่ทราบว่าเขาจะไปจี้บางคนที่ไหนไม่ทราบว่าเขาจะไปตีแล้เขาจะยิงตีทิษยาแล้วเขาจะยิงตายวันไหนก็ไม่ทราบพอาะหลงจากบ้านไปพูดอยุดผู้อยู่ในบ้านเลยก็เป็นห่วงเหมือนกันไม่ทราบจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนี่เรื่องคนชั่วมากมั น, มนเป็นเกียรติลำบากเดือดร้อนไปทุกอย่างไม่อย่านั้นหากว่าคนใด มาละควมชั่วคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยเขาก็าได้ชื่อว่าคนดีเกิดขึ้นมาแล้วในหมู่ชุมชนนั้นคนหนึ่งแหะถ้าทุกๆคนพากันฟังทำามสั่งพริเจา้าแต่ละคนละคนพากันไล่ชั่วทําดีโดยการไม่ลักไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยมันก็จะได้ควา ม, มสุขสบายขึ้นมาในกลุ่มชุมชนในหมู่บางคนนั่นจะไปคิดว่าเขาก็ทําแล้วก็ต้องทําแล้วสิ ไหนอยู่คนเดียวอยู่ได้หรือเอาชนะขอให้เราทําให้ดีไป้ก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่เราคนเดียวสอนวัตทุกคนพ่อเห็นมนุษย์เดือดร้อนอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ายังมาสอนการไม่บุพฤเพผลิดไม่แาจานกล่าวของห ง, งุมอุสาวะดื่มสุราไม่ไรทั้งหมดนี่แหละเรียกว่าเราละชั่วเป็นขอ้อเป็นข้อไปเมื่อเราละความชั่วเป็นขอ้อเป็นขอ้อไปทําไมจึงว่าทาํายาก เราต้องการอยากดีนี่น่ะเกิดขึ้นมาใครก็ต้องดอยากดีสุกคนอยากได้ความสุขสักผลทำไมจึงไม่ทำได้อย่างอย่างนี้ก็ต้องทำดีสิมันยั้นคดีอยากได้ความสุขก็ต้องละชั่วดิทำไมจึงไม่ยอมทำหรือมันมากยังอาจจะมาให้แยกกันทำยังครอบครัวบ้านเรือนของเรานะี่ยมีห้าคนเอาคนละพอกนะันละคนละพอกันนะ แต่ละสิ่งที่ตนเป็นเนี่ยเช่นคนลูกชายชอบฆ่าสัตว์ตกเบ็ดตกปลายิงนกล่าสัตว์ระการต่างๆนึกษาอตัวพ่อตัวแม่ชอบพูดดโกหกหรือว่าดื่มสุราเมรยัยแล้วลูกอีกคนหนึ่งชอบขโมยเล็กขโมยน้อยทั้งห้าคนนะ่ะมาปรึกษากันลองดู ใครมีอะไรมากคนช่วยอะไรมีคนคนไหนมีคนช่วยเอามาพูดกันจบลงกันเอะเอาคนลรคอเราคอกลองทำลองนี้ลองดูจะดีไหมถ้าทำได้อย่างนี้แต่มากำหนดน้เถอะไม่เกินสามเดือนสิ้นห้าข้อนี้จะเป็นรวมอยู่ทั้งห้าคนจะเกิดมีคนช่วกคนทุกคนเช่นว่าลูกชาย มันชอบฆ่าสัตว์อีกคนหนึ่งชอบลักทรัพย์อีกคนหนึ่งชอบเป็นนักเลงเจ้าชู้พ่อแม่ชอบอีกคนหนึ่งชอบโกหกคนหนึ่งชอบดื่มสุราคุณแม่คุณพ่อสองคุณแม่แั้งพ่อทั้งแม่ทำคนละอย่างคทวนี้หากว่าละลูกชายละฆ่าสัตว์เนี่ยพ่อแม่ก็เห็นอีลูกชายเรามันดีนั่นไม่ฆ่าสัตว์ พ่อดื่มสุราก่ออ้ลูกเราละได้ทําไมเราละไม่ได้อายลูกชายแล้วขันีกูแม่ขี้โกหกขี้ปนขี้จู้จี้ชอบดินทาคน้องนคนนี้เนี่ยลูกชายกูไม่ฆ่าสัตว์มันไม่รักทรัพย์นี่มันยังละได้นี่กูอายก็อยู่ทำไมเราละไม่ได้อายมั น, ม น, ม น, น ก, มมก็ยอมเลยยอมละอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าชู้เห็นลูกชายเลยเห็นพ่อแม่เห็นที่น้องหรือพ่อแม่ละกลมชั่ว มันก็คิดถึงควาชั่วของมันเอก็เลยละชั่วงไปตามกันสินห้าข้อเลยจะไปรวมมีมดังหากลลองคิดดูถ้าหากสินห้ามีในครอบครัวน่จะมีความสุขไหมเนี่ยมายิ่งว่าท่าได้เลยสักสามเดือนพากันทดลองลองทำถ้าทำได้อย่างเดชะมาว่านี่แหละถ้าไม่มีความสุขไม่เป็นตามที่อาจามาอธิบายอาจมายอมให้ไปต่อว่า ไปต่อว่าถึงวัดอดุตมาของคนไทยจดชื่อไว้ว่าอดุตมาหินอเป๊ลอํเภอเชียงใหม่จังหวัดนนทยุรีไปต่อว่าถึงนั่นเลยมันไม่จริงนี่ทําไมท่ามาสอนกูพูดย่างงี้ยอมเลยอดุมาแต่นี่ยังไม่มีใครจาถามเลยสิอดจะมาสอนนี่หละเรื่องศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนคนไม่ปฏิบัติเรื่องไปโทษว่าศาสนาเป็นของล่าสมัย คนมันล่าจังหางมันตามพศาสนาไม่ทันจังหางนั้นพูดศาสนาล่าสมัยไม่ทันการทันเวลาโอ้โหคนเราตจังหางมันไม่ทันศาสนาพุทธแต่มาเคยบอกอ่าถ้าหากศาสนาล่าสมัยแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าว่าทําชั่วได้ชั่วได้รับโทษบาปกรรมนั้นลองคิดดูอ่ะฆ่าคนมันตายไม่ได้โทษไหมมีโทษไหมขโมยเขามันเป็นโทษไหมดื่มสุรามันเมาไหมมันมึนไหม ถ้าหากค่าคนมาเป็นบาปเมื่ อ, อไรขมโมยของเขาเป็นบาปเมื่ อ, อไรดื่มสุราไม่มาเมื่ อ, อไรอาตมาจะยอมเชื่อ า, า, าศาสนาล่าสมัยไม่ทันเขแท้อันนี้มันเท่าเก่าอยู่นะรสชาติที่พระพุทธเจ้าเทศนานนไม่มีผิเรื่องนั่นเป็นอย่างนี้พูดถึงเรื่องข้อที่จริงของพุทธศาสนาพวกเราต้งหากไม่กระทำตามจึงอธิบายฝังเหมือนกระมดแดงหน่อย พ่มะม่วงสุกอย่งไม่ได้รับรสชาติมะม่วงสุกเอ้ยเจอมะวงสุดสุกหล่นทิ้งแล้ว เ, เปล่าเมด่อแดงเลยไม่มีที่เกาะนี่สรุปรว บ, ร ว, บ, ร, วบรวมยอดที่เทศนามาให้ฟังเท่านี้แหละเรื่องปฏิบัติศาสนาหาเข้าใจแล้วนั่นนำไปปฏิบัติเถอะไม่ต้องไปเรียนหรอกนะคำทีเทวเอกหรือศึกษาทีเทวเอกไม่ต้องไปเรียนหอกเรียนก็เพื่อมาปฏิบัตินี่แหละ มาเข้าใจตรงนี้แหละเข้าใจตรงนี้แล้วปฏิบัติตรงนี้ก็เป็นนั้นว่าใช้ได้พอแล้วจึงจะได้ชื่อว่าเราเป็นพุท ธ, ธมามกะคือนับถือเชื่อฟังคําสอนพระเจ้าแท่งไม่ใช่ักแค่ว่าไปถือไว้ใช่เฉยหรือปฏิญญาตนว่าหวดตนว่าตนถือพุทธศาสนาหรือเปล่ายิ่งว่าคําว่าถือได้ทิ้งเสะถือศีลก็ทิ้งจสีถือศาสนาก็ทิ้งจสี ให้มาเข้าใจว่าไม่ใช่สอนให้ถือคือสอนให้ปฏิบัติคือลาชั่วทำดีวันนี้เป็นวันรวบยอดคนที่มาได้มาฟังเมื่อวานซื้นก็ตามเถอะมาเอาตรงยอ ด, ดก่อด น, นี่ก็แล้วกันนะเด็ดยอดนก่นเลยจิ้มน้ำพริกได้ส บ, บายเอาละ่ะวันนี้รวมพลังงานของใจเหมือนกับรวมแม่น้ำ ที่มันไหลเยอยตามธรรมดาแทนที่เราจะให้มันปล่อยไปตามเรื่องมาทดสะแล้วก็จงปองน้อยมันไหลมันจะค่อยไหลแหลงใจของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันมันฟุ้งซ่านส่งไปสารพัด ท, ทุกทิศทุกทางมันไม่รวมหรือสักทีเราจึงมาหาสมาธิ ให้จิตรวมในที่เดียวให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวคิดเฉพาะเรื่องเดียวอย่างพมอริหานี่แหละทา่านถ้าหาว่าคิดในเรื่องเดียวแล้วมันจะเห็นชัดในใจของนตนเมตตาจะเกิดขึ้นกระ น, นาราวิฏฐาจะเกิดขึ้นในที่นั้นมันเกิดพลังของมันเกิดพลงังชนิด ใจมันเกิดพลังขึ้นพอมันยังสามารถที่จะพัดดันในความชั่วนออกไปความโอดปวงแคนสารภาัดทุกอย่างที่มันอิจฉาเสยาห า, า, า, ายไปหมดเขามันรวมในแห่งเดียวแล้วอย่างพูดให้ฟังง่ายว่าเราการดมหายใจ ท่านลมหายใจทุกพักตึงมันหมดลล้านี้เรื่องนั้นมันสมสัยผายหนอกมันหมดแล้วมันยังเหลืออยู่แต่